สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันวัชรินคันธชากลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวหยิบเรื่องราวดีๆเชิงสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพูดคุยกันอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสวนอ่าสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจำกัดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเคยได้ยินมาแล้วแหละว่าถ้าเรามีพื้นที่เราปลูกป่าถ้าเป็นไม้เศรษฐกิจ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีไม้สักกับไม้ยางนาปลูกแล้วพอจะตัดต้องไปแจ้งกรมป่าไม้แต่ตอนนี้คือเราปลดล็อกตรงนี้ได้ละใครที่ปลูกไว้ในพื้นที่กว้างๆพื้นที่เยอะๆสามารถที่จะตัดในเชิงเศรษฐกิจได้วันนี้เรายังอยู่กับพี่ยิ่งรักปฏิพานเทวานะคะประธานสากล ส, นสวนป่าภาคเอกชนจำกัดตอนนี้พี่ยิ่งรักอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ยิ่งรักคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ยิ่งรักคะอย่างที่เคยคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของสวนป่าเอกชนพอ เอกชนหันมาปลูกพอปลูกแล้วตัดตอนนี้คือเราปลดล็อกมาตาเจ็ดที่ระบุว่าถ้ามีไม้สักกับไม้ยางนาอยู่เนี่ยตอนนี้คือไม่ต้องอไม่ต้องแจ้งที่กรมป่าไม้ละสามารถที่จะดำเนินการเทิงพานนิชได้เลยค่ะก็คือไม้ทุกชนิดอ่าพอปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะโยงไปถึงไม้ไม้มีค่าอื่นๆด้วยค่ะเช่นไม้ยูงไม้ชิงชันด้วย ม, มันมันจ ะ, ะถ้าไม้เอ่อ ไม้ที่ขึ้นในที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ของประชาชนค่ะไม่มีคำว่าไม้หัวงห้ามเลยใช่ไหมคะสามารถทำการทางยุทธิาสตรในขณะที่ยังมีชีวิตได้นี่มันเป็นอย่างนี้เลยคนก็แตกตื่นใหญ่เลยตอนเนี้ค่ะกล้ามีเพศจะไม่พอเลยค่ะมันจะโกรธมากเลยตอนนี้ตอนนี้คือพี่ยิ่งรักขายต้นกล้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะด้วยรักปลูกกล้าขายอย่างเดียวเลยตอนเนี้ไม่ทันเลยใช่ไหมคะว่าให้พ่อโบราณไงเรา เวลาเป็นเงินเป็นทองใชเพราะถึงภาวะโลกโลวันใช่ไหมประเทศอื่นอืนเนี่ยมาเขาเขาก็พยายามที่จะจะให้รดลงให้เราปลูกป่าช่วยเพื่อช่วยโลกอะค่ะช่วโลกร้อนด้วยใช่ไหมเราก็ต้องได้ได้ได้สองต่อเลยได้ช่วยช่วยโลกร้อนได้ชั่งเป็นเงินอมแล้วก็ถึงถึงแวดล้อนที่ท่าของเราด้วยใช่ไหมนี่นายนายแบงค์ได้ยินพี่ยิ่งรักพูดอย่างนี้นี่เคืองเลยนะ เดี๋ยวคนไม่เอาเงินไปฝากธนาคารกันนะพี่ยิ่งรักคนหันไปปลูกต้นไม้ซึ่งมันเป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องดีท่านี้มีอยู่เรื่องหนึ่งพี่พี่ยิ่งรักที่คุยกับพี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจนะสนใจก็คือเรื่องของเอ่อฟลิกทีฟลิกของอีูพี่ยิ่งรักช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอีูเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงคะ่ะมาค่ะยูเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาก็เออเขาเห็นว่าเอ่อทั่วโลกเนี่ยนะคะป่ามัน หายไปเอ่อแล้วก็โดนลุกครั่งน่ะหมายถึงที่ที่เอ่อเป็นควรส ง, งวนอนุรักษ์เนี่ยก็โดนตัดมากเสียหายทำให้เกิดโรคร้อนถูกไหมคะค่ะทีนี้มันมีระบบอะไรที่เป็นเอกชนมาตั้งมาตรฐานอะไรเยอะแยะมันก็ไม่ช่วยอ่ะเขาก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเอ่อต่อไปนี้ทางประเทศยุโรปมีหาจะรับซื้อสินค้ามไม้เนี่ยจากประเทศไหนไหนทั่วโลกเนี่ยต้องต้องผ่านการตรวจสอบโดย c p g คือรัฐบาลต่อรัฐบาล น, นะคะ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามเอาไม้จากเอที่อนุรักษ์มาขายหรือโยงล้ําหรือใครไปปลูกในที่นั้นเขาจะไม่รับซื้อเป็นไม้เถื่อนนะพงงนูดง่ายๆเขาจะรับซื้อเฉพาะไม้ที่จะสาปลูกเท่านั้นต้องมีใบรับรองค่ะทีนี้เขาก็เขาก็มีการเจราจากับเราประมาณสักค่าปีมาแล้วเนี่ยนะฮะระหว่างรัฐบาลไทยกับกรมป่าไม้ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะกับกับประเทศยุโรปก็มีเจรจานู่ ปีหกสามเนี่ยคือคือจะผ่านคนและหมายถึงตกผึกแน่ๆเลย <c oughs> ที่เขาจะให้รายเส้นเราที <c oughs> ่เขาให้หรายเส้นทำให้มันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าหนึ่งเราสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ไม้เข้าไปในยุโรปได้เลยค่ะเนี่ยมันก็จะสร้างรายได้ทั้งทั้งต้นไม้ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งยาเลยที่เกิดจากสมุนไพรในป่านเนี่ยค่ะได้หมดเลย <c oughs> ค่ะเนี่ยค่ะเอเราก็เลยเราก็เลยรณรงใหญ่เลยว่าเฮ้ เออไอสิ่งนี้มันมันมันจะช่วยเรื่องโลกร้อนแล้วก็จะมีกองทุนอะไรมสนับสนุนเราด้วยเนี่ยค่ะกองทุนมันกองทุนที่สนับสนุนพี่ยิ่งรักเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเขาสนับสนุนในด้านไหนยังไงบ้างค่ะอตอนเนี้ยตอนเนี้ยภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะทางทางฝั่งเนี่ยทางยุโรปทางอเมริกาคืกลัวมากเลยกลัวมากค่ะเพรละลายอะไรเพราะว่าขึ้นความร้อนไปโจมตีเขานี่น่าสงสารเขาเลยนะพี่ยิ่งรักค่ะเขาก็พยายาม อย่างที่ที่เรียนน่ะว่าประเทศเราเนี่ยค่ะอยู่ไต้เช้นสูง ส, สุดต้นไมน้มันโตเร็วเป็นเจ็ดเท่าหรือแปดเท่าออืกว่ากว่าประเทศทางยุโรปใช่ไหมพวกกระเห่งเห็นแล้วทก็มาเอาทื้นเลยต่างๆม า, าลงมาที่ทางประเทศไทยแถบทางเราเนี่ยค่ะเรื่องรณรงค์ให้ช่วยปูฟ้าหน่อยเถอะเดี๋ยวเขาตายเพราะว่าอันลังก า, า, า, าศเนี่ยคือทาสอนสุดท้ายเนี่ยต้นไม้เท่านั้นที่จะช่วยเรื่องโรกร้อนอืใช่ค่ะเขาก็เลย บอลจะลงมาเอากองทุนมาให้เนี่ยพี่ก็พยายามไปชี้เป้าให้เขาค่ะว่าเราจะจะต้องปลูกต้นไม้แล้วก็จะต้องทําอะไรต่ออะไรจะไหนไปไหนเนี่ยช่วยเขาอยู่อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะตอนเนี้ยค่ะชี้เป้าพี่ยิพี่ชี้เป้าเนี่ยใช้ภาษาสุ่มเสียงมากเลยนะพี่พี่อธิบายคำว่าชี้เป้าให้เขาเนี่ย เป็นความเข้าใจอของเราในการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่านิดนึงพี่ยิ่งรักค่ะถูกต้องถูกต้องแล้ว <c oughs> แล้วนอกจากเพิ่มพื้นที่ป่านเนี่ยสัดป่าอะไรต่างๆนี <c oughs> ่าก็จะมีพื้นที่กว้างขึ้นถูกไหมคะค่ะอ่าเราก็ได้ประโยชน์แล้วเยาวชนเราเนี่ยเป็นเหงื่อชาอย่างยิ่งเลยค่ะ <c oughs> uh, เราถึงบอกว่าเราปลูกเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานเป็นมรดกให้ลูกหลาน <c oughs> ถูกไัมคะค่ะแล้วเดี๋ยนี้ที่กรลนะลงไปถึงวงการแพทย์อะไให้ให้ ลูกใครเกิดหรืออะไรเนี่ยให้ของขวัญเป็นต้นไม้ปลูกให้เขาเลยอม อ, อมเป็นมนรดกตั้งแต่เกิดเลยแล้วเขาพอถึงพอโตเขาก็จะช่วยดูแลใช่ไหมเขาจะเห็นคุณค่ามานานันอะ่ะคะที่รักต้นไม้ไอะแล้วคนที่มือเป็นเกษตรกรจะปลูกอะไรก็ตามแต่ต้องมีต้นไม้ด้วยมันก็จะเป็นเงิน อ, อมเพื่ อ, อทงานไม่ได้แล้วไอ้ต้นไม้นี่ก็จะมาช่วย เอานตวินเราพี่เงินใชทองอะไงานที่พ like ี่ย SI ิงรักทำเนี higher, ่ยเชื่อว่าคงจะไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยด้วยพลังของพี่คนเดียวตอนนี้พี่มีภาคีเครือข่ายอื่นๆที่กระจายอยู่มีกี่องค์กรคะมีมีเหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องการผู้โดวชนมากเลยค่ะพี่ถึงถึงพยายามไปไปสร้างเครือข่ายเป็นไรคือคุยหมดเลยอยากให้เห็นเขา เห็นประโยชน์ของต้นไม้นะคะเราต้องสร้างเยาวชนเพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยหน่อยก็ลาโลกแล้วแต่เราประสตการเรารูแ้แหละว่าต้นไม้เนี่ยมันคือคำตอบสุดท้ายที่จะช่วยทุกสรรพสิ่งได้เลยใ่มคะเราพยายามสร้างเยาวชนต่างๆนี่ค่ะเอาเข้ามาอบรมเอาเข้ามาเป็นสมาชิกเ น, นี่ย ผ่านผ่านอะไรคะพี่ยิ่งละหมายความว่าพี่พี่เข้าไปเจอค่ะเจอเจอเยาวชนเหล่านี้ยผ่านผ่านหน่วยงานไหนที่พี่ลงเข้าไปในพื้นที่คะก็ส่วนมากจะจะโรงเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์อะไรบ้างเนี่ยค่ะค่ะค่ะเขามีตรงไหนยังไงเราก็จะจัดจัดชุดของเราไปปลูกฝังจัดกิจกิจกรรมให้เด็กเข้าใจและซึมซับในเรื่องของต้นไม้นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเนื่อเพราะว่า ต้อง เ, เด็กไม่เคยนักของชาตินะนะล้วเด็กเนี่ยเขกเขาเขาลักต้นไม้ในยุคเทื่ดเราเรรู้สึกมันห่างอ่ะเราก็พยายามที่จะสนับสนุนเคียรใ ห, ให้ให้ให้เทศบาลทุกเทศบาล น, นะทั่วประเทศเราไขอการค้าน่ะให้เขาตั้งเต้าตอนนี้นะคะเราตั้งเต้าเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนานเนี่ย ค, ะค่ะเราไปเออที่ใบเขตจัดงานโดยที่สหกกรจับมือกับสภาหอการค้าและองค์กรทั่วประเทศเลยเพื่อ แสดงให้เอ่อให้เห็น จ, กกนจากเอภาพว่าคนไทยเราเนี่ยจะจับมือกันเพื่อปลูกต้นไม้ลดเอ่อถวายในหลวงจ ะ, ะลดโลกร้อนปีละไม่ต่ํากว่าหกร้อยล้านต้นทำห้าปีเนี่ยค่ะจะแสดงให้เห็นว่าเราจะได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าสามพันล้านต้นเป็นคาปฏิญาณที่คนไทยเราต้อ ง, ต, องต้องช่วยกันนะ ค, ะค่ะแล้วถ้า ที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็ปลูกกันเยอะนะแต่เราไม่มีตัวเลขที่มารวมกันเงี้ยค่ะต่างกลต่างทาแต่เนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องใครไปปลูกอะไรแล้วตัวเลขมารวมกันที่กรมป่าไม้ก็ได้เอ่อโทรศัพท์มาบอกแจ้งอะไรแล้วก็เด็กๆอ่ะเด็กๆโอ้โหเขาก็ตื่นเต้นแย่เขาก็จับเป็นกลุ่มๆเงี้ยฮะ ก, ก็ปลูกเมื่อเสร็จแล้วเขาก็โทรมาโตมาตัวเลขมันรวมรวมแต่เนี้ยปีนี้นะฮะเนี่ยเริ่มเอ่อเมื่อเสร็จนี่เราเริ่มแล้วตอนนี้ได้ได้ประมาณเอ่อสิบ สิบล้านต้นแล้ะค่ะพ <C> e <an> ึ่เฉพาะปีนี้นะ <C> e <an> ปีเดียวเพราะว่าพึ่งจะลงสัตยาบันกันเม <C> e <an> ื่อว<น>ันที่เจ<น>็ดพฤษภายนที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งมากันเราปลูออกกันล้เด็ออกๆก็เป็นเต้นเป็นใหญ่เลยเป็นเนี่ยมันจะสร้างสร้างวิสยัยรักต้นไม้ให้เขาด้วยไงคะ <C> e <an> เราประกาศไปอย่างเนี้ยเราเห็นประเทศเกาหลีประเทศอื่นๆเนี่ยเขาประกาศเห็นไหมเราทำมันงานแล้วแต่เราไม่ได้รวมกันไงคะต่างคนต่างคามันก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนใช่ไหมมันเสียของต่อไปเนี่ยเรา ไอปลูกที่ไหนเราในในฐานะคนไทยแจ้งมารวมกันรวมกลุ่มแจ้งมานี่ยค่ะพี่นี่แหละคะตอนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยในในปีปีที่ส่งเสริมให้มีการปลูกเมื่อปีสามเก้าที่อยากจะให้ประชาชนมาปลูกสวนป่าเนี่ยทางกรมป่าไม้มีให้มีเงินอุดหนุนให้ไร่ ล, ละสามพันบาทตอนนี้มี ม, ม, มีส่วนของการอุดหนุนจากภาครัฐไหมคะตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยรัฐก็อย่างว่าแลวนะ และมีภารกิจเยอะหลายหลายด้านเราพยายามนะคะเราพยายามที่จะจะสอนให้ชาวบ้านเขาเพาะกล้ากคือมันต้องมาจากความความรู้สึกจากภายในที่เขาเองนั้นอยากจะร่วมด้วยเนาะนะคะใช่เนี่ยถึงพยายาม คือแล้วเวลาปลูกเนี่ยเราก็ต้องได้พันธุ์ที่ดีสั่วมะชามจะได้ไม่เสียโอกาสถ้าเราไปเอาพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่ดีมาเนี่ยเราก็เสียโอกาสเวลาเสียปลูกไปจนสามสี่ปีออกมาแล้วต้นไม่สวยไม่ใหญ่แค่แก่เหนียกก็เสียโอกาสถูกไหมนะเราจะวร้างมาตรฐานด้วยสําหรับ อตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วคิดว่าเออถ้าเกิดมีที่อยู่ต่างจังหวัดเขาอยากจะลองปลูกป่าดูบ้างเขาจะสามารถติดต่อขอรายละเอียดหรือจะเข้ามามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานเราเนี่ยเขาจะต้องติดต่อผ่านใครอย่างไรหรือว่าติดต่อที่จังหวัดนั้นได้เลยมีหน่วยงานของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอยู่ตรงไหนยังไงไหมคะพี่ยงรักอ่า ก็คือจากกสวนป่าภาเอกชนเนี่ยตอนเนี้เราก็ตั้งอยู่ในกลุ่มป่าไม้นะคะ<อ>มีสาขามีส า, าแต่ยังไม่ทุกจังหวัดนะค ะ, คะเหมือนเห็นมาตาเจ็บมันทุ่งปดไม่ตีเดียวใช่ไหมตอนนี้ก็ก็รวมรวมรวมกันก็ยังยังเพิ่งได้สิบท่าจังหวัดที่ออกไปนะค ะ, คะแต่แต่เขาจะรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆเล็ๆเนี่ยคิดว่าไม่เกินสองปีนี่คงนจะครบเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนะคะแต่ถ้าเกิดจะปลูกต้นไม้หรือะไรก็มาไปที่สวนพ่อชํา ของโกบป่าไม้ทุกจังหวัดได้ค่ะนกเคย ม, มีประสบการณ์ใช่ไค่ะเจ้งเจ้งมาเมื่อไหรอยากจะปลูกต้นไม้เอ่อีัวอย่างที่เรียนอะ่ะที่ที่เอจะโดนเจิตภาษีเจ้าหน้าเนาะเขามีสตางค์พี่แต่เขาไม่มีปัญญาที่จะปลูกงานไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะหาในีสมาชิกของเราเนี่ยไปช่วยปลูกค่ ะ, ะว่ากันไห้ เท่าไหรไรและเท่าไหรอะไรมันหลายในกลุ่มสมาชิกเนี่ยก็มีสมาชิกที่พร้อมที่จะเข้าไปดําเนินการช่วยปลูกให้ด้วยสําหรับคนที่มีที่เยอะแล้วก็ปลูกไม่เป็นแต่อยากจะอยากจะสร้างการออมในอนาคตสามสิบปีเพื่อให้เป็นมรดกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะพันสมาชิกเราก็เพาะกล้าไว้ขายด้วยจากกล้าไม้ที่ขายเนี่ยพี่ยล็กมักมีกล้าไม้พัน์อะไรบ้างคะเป็นเป็นพันประเภทไหนยังไงคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นไม้มี่าทั้งหลายแหละ eat. ที่เช mm ่นไม้สักอย่างเงี้ยไม้สักที่ <th> ที่ได้รับการเอเขาเรียกว่าบีบพันธ์แล้วอะนะค่ะมันจะโเรยมากเลยค่ะที่ที่มาที่ที่เรียนว่าไม้สักทําตามปกติเนี่ยมาสามสิบปีห้าสิบปีใช่ <Dark S 2> ไหมค่ะใไม้สักเนี่ยเขานันกวิทยศาสตร์คณะวิศาสตร์เขาบีบพันธุ์เอาเอาพัน์เขาเรียกกันดับเบิลโทโมโซมาใส่นะคะปลูกไปเนี่ยค่ะปีเดียวมด้สูงตั้งเก้าเมตรอะ อือไปแล้วนี ย, ยายแจงที่ทดลองนะสิบห้าปีเนี่ยค่ะสูงเท่ากับใหญ่เท่ากับอไม้สักที่ผ่านๆมานี่สามสิบปีมันเป็นสองเท่าจริงๆเลยอืมเนี่ยทีเนี้ยถ้าเราเราได้พันที่ดีอันนี้เขาเรียกว่าพันพันดับเบิลโครโมโซมค่ะนี่เขาจะขายไงอันนี้เขาจะขาเยนนเข า, าเขาก็จดสี่พันบาทแล้วตอนเนี้ยทั้ง อ, อมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียทั้งอินเดียก็ซื้อเขาก็ เป็นของไทยไหมคะสิทธิบัตรเนี้ค่ะเป็นของไทยเยอะสิทธิบัตรแล้วอะค่ะค่ะคือเราทดลองปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะได้ผลดีถ้าเราจะปลูกตกเนี่ยหรือต้นอะไรเนี่ยเราต้องไ้ต้นที่ พ, พี่ได้เขียนเป็นพินัยกรรมให้ใครหรือยังคะที่พี่<อ>ไปลองปลูกไว้เนี่ยพี่ยิ่งรักพี่ทําพินัยกรรมไว้ยัง ก็พนายกรรมของพี่นี่คือก็ปลูกต้นไม้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินเลยอ่ะโอ้เป็นฟัง ด, ดูแล้วแช่มชื่นมากเลยนะคะหัวใจพองโตนะคะแผ่นดินลูกหลานของเราจะมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่านี้นั่นหมายความว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจใน15จังหวัดพี่ยิ่งรักพอจะ<ด>บอกได้ไหมคะว่า15จังหวัดที่มีอยู่ตอนนี้อยู่พื้นที่หนาแน่นในภาคไหนอย่างไรคะจะจะจะ เอ่อถ้าก็สนใจนะฮะก้าวพันนี้อะไรเนี่ยก็โทรมาที่พี่ก็ได้เบอร์นเนี้ยหรือโทรไปที่กรมป่าไม้ก็ได้เรา ล, ง, ลงที่กระจำเบอร์ไว้ได้เนาะถามได้ก็ได้ <c oughs> ที่กรม <c oughs> ไม้เลพี่นี่เราคุยถ้าสนใจจังหวัดไหนก็ไปที่ศูนย์ศูนย์เอ่อเอ่ขาเรียกว่าป่าไม้จังหวัดนะคะค่ะไปคุยกับเขาได้เลยฮะสมมุติว่าเขามีมีบางทีเขาจะมีแจกกล้าน่ะค่ะ แล้วก็สอนวิธีที่จะพอกล้าเขาจีบตอนนี้เขาเขาร่วมมือกดล้วถ้ลลวเรากระตุ้นเนี่ยเราก็ตุ้นว่าถ้าไมไม่ไม่ไม่ปลูกหรืออะไรเงี้ยก็เสียโอกาสกันนะะค่ะคือประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ในกระตุ้นเขาเลยอะ่ะเขาอยากปลูกไงก็ที่ควรอยากมีบมําเหน็จบํานานอย่าง ใช่ใช่แล้วการปลูกป่าเนี่ยพี่เะการปลูกป่าเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยยาค่าแมลงหรือต้องลงอะไรมากมายคือปลูกป่าก็คือปลูกแบบทิ้งขว้างให้เทวดาดูแลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะดูหญ้าดูอะไรบ้างค่ะเราต้องดูเขาสักสามสี่ปีให้เขาแข็งแรเหมือนเด็กอย่ะเหมือนเด็กค่ะใช่ไหมพอพอให้เขาแบบยืนตั้งไข่ได้อย่างงี้ใช่ไหมได้เพราะตั้งไข่ได้เนี่ย โอ้ย oh แล้วเราก็พอตั้งขายได้เราก็ต้องดูให้เขาเป็นนางงามไม่ไดนะ้ใช่ไหมล่ะที่ปล่อยให้เขาทุดโมไม่ได้เราก็ต้องคอยดูเขาหน่อยนึงะอะไรอย่างนี้ตามสูตรเขาดูไยาตามสูตรเนี่ยนะคือหนึ่งไร่ปลูกได้สองร้อยต้นก็ประมาณประมาณสองร้อยต้นระยะห่างยังไงคะก็ประมาณสี่คูณสี่ก็ได้สี่คูณสี่ค่ ะ, คะ อ่าหรือสี่คูณสองก็ไ่้แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมหรือสี่คูณสองนะคะท่นี้ปลูกไปสามถึงห้าปีตีสวาสามปีต้องตัดออกครึ่งหนึ่งอ่าก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าบทมันสูงแล้วใช่มหมันสูงทีนี้มันต้องการเราก็อยากให้มันอ้วนออกธร่มชาติเราก็เลือกเลือกตัดดูต้นไหนที่มันคิดกันเกินไปค่ะก็จะเหลือหนึ่งร้อยต้นอ่าพี่คุยกันแบบหลักคณิตศาสตร์เลยนะเหลือหนึ่งร้อยต้นใช่ ขอได้ค่ะแล้วผูกค่าปีหรือสิบปีเนี่ยต้องต้องเอาออกจนผลสุดท้ายเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ยจะเหลือประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าต้นห้าปีหรือสิบปีเอาออกกี่ต้นคะเอาออกครึ่งครึ่งหนึ่งอะค่ะอ๋อเอาออกค ร, ครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราปลูกแล้วเราจะรู้เลยว่าต้นไหนควรจะ อ, ออกแล้วอะเพรา ะ, <น>ะว่าปลูกไปก็ไม่โตนันมันจะเบียดกัน <c oughs> อ่ามันจะเบียดกัน นั่นหมายความว่าลงทุนไปปีที่หนึ่งเนี่ยห้าบาทคูณส <200 S 2> องร้อยก็ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณต้นทุนอยู่ที่ประมาณพันหนึง่งสำหรับต้นกล้านน ะ, ะใช่ไหมคะ ต้นทุนอยู่ที่ประมาณพันหนึง่งยังไม่รวมค่าปลูกนะคะพั 1, นหนึ่งแต่เมื่อระยะเวลาเนิ่นออกไปก็คือห้าปีถึงสิบปีตัดออกครึ่งหนึ่งเนี่ยห้าปีถึงสิบปีเนี่ยก็จะได้ไม้ที่โตใช้ได้ในระดับนึงก็จะขายได้ขายได้มีอีกหน้าพวกเนี้ยคือใช่ไงใช่ไงพี่ที่ทดลองมาแล้วีเอายังง่ายง่ายห่าค่ะมุดปีแรกเนี่ยเราใจถึงหน่อยนะค่ะปลูกไปเลยพันหกร้อยต้นก่อไร่ค่ะนะ พันหกร้อยต้นเนี่ยพอสักสองปีใช่ไหมคะสองปีเราล้อมขายเรา<อ>ล้อมขายได้ต้นลนะสามร้อยห้าร้อยเนี่ยใช่ไหมเวลาเข้าไปปลูกข้างๆถนนเห็นไหมผูช้ชาวนะ า, เ, าน เ, เนี่ยพ่มขี้เมวต้นเล็กๆแต่เขาต้นใหญ่หน่อยเนี่ยแล้วก็ขายเนี่ยมันก็เท่ากับยิ่งเข้าไปมีตัวด้วยถูกไหมเราเราก็ขายเอาพอสูงเข้าไปอีกสักสามปีสี่ปีต้นหนึ่งเป็นพันอีกแล้วเนี่อันนี้ขายผลสุดท้<ฮ>ายก็ก็คือให้ให้ห่างหา ง, หางเหลือสี่เมตรถึงแปดเมตรค่ะ ในปีที่สามสิบบริษาทอย่างเงี้ย เ, เริ่มต้นเขาเรียกว่าเก็บทุนก็กลา่เพื่อไม่ให้ท้องหิวเหรือป่าหาย <c oughs> ท้องหิวแล้วป่าหาย <c oughs> <c oughs> พิ้งรัก <c oughs> นิดหนึง่งหลังจากที่เอ่อเฟล็กทีของยูเออีเข้ามาทําให้เกิดเอผลดีต่อการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในโครงการของเรามากนะค ะ, ะแล้วก็ทําให้มีมระบบตรวจสอบย้อนกลับที่จะไม่มีไม้ป่าอนุรักษ์เนี่ยเข้ามาปนเปื้อนกับไม้ที่จะทําในเชิงพาณิชย์ นะคะคตอนนี้เนี่ยค่ะหลังจากบรรลุข้อตกลงก็คือคาดว่าน่าจะเป็นปีหกสามถ้าบรรลุข้อตกลงแล้วเราจะสามารถขายทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรที่ปลูกจากป่าพวกนี้ด้วยถูกต้องไหมคะส่งไปขายอียูค่ ะ, คะตอนนี้เนี่ยอียูเนี่ยได้ทําข้อตกลงเนี้กับประเทศอื่นๆใดบ้างแล้วไหมคะพอจะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะแล้ว ก, ก็ก็มี หลายประเทศแล้วนะคะค่ะ <c oughs> อย่างของ อ, อินโดนีเซียนี่เขาได้แล้ว <c oughs> อินโดนีเซียค <c oughs> ่ะอ้าวเห็นไหมตอนนี้สถานภาพของอินโดนีเซียตอนก่อนเขาล้าหลังเรานะค่ะ <c oughs> เขาก็ได้ทำเอไอเอเอีสแควทีนะหรือหไม้เขาเขาเขาเข็กระจายเครื่องสื่อสืส่อหมดเราถึงไหมอุดมสมบูรณ์เหมือ น, นกันต้นไม้ขายเข้าไปในในในในยุโรปเลยออืแในยุโรปตั้งสิบประเทศแหละตั้งเกือบยี่สิบประเทศเนอะค่ะ พี่ยิ่งรัก ม, มันแบบหมดเวลาเวลาเราไทามากเลยพี่ยิ่งรักเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในในสัปดาห์หน้านะคะได้นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีเรื่องนี้ต่อในเรื่องของการลงนามความร่วมมือแบบ G2G ของ e ูกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตอนออกเขียงใต้อีกด้วยที่พี่ยิ่งรักจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะสาหรับวันนี้อขอบคุณพี่ยิ่งรักมากนะคะ ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่หยิบมาเล่าเล่าสู่กันฟังมองเห็นตัวเลขคร่าวๆนะคะในเรื่องของการลงทุนปลูกหนึ่งไร่ถ้าเกิดใจปั้มทั้งแรกลงทุนไปพัน0ต้นในระหว่างทางสามารถที่จะล้อมขายได้อย่างที่พี่ยิ่งรักบอกสำหรับ แรงจูงใจเ อ, เอกชนหรือเป็นชาวไร่ชาวนาที่อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกไม่เป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวหันมาแบ่งพื้นที่เพื่อที่จะเป็นป่าสร้างความอุดมสมบูรณ์และก็คืนระบบนิเวศให้ตัวเองนะคะนี่คือทั้งหมดของเป็นเรื่องเป็นราว<ม>ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาดิฉันวัชรินคันทาชาลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ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 Times she's down in the bed Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her things that I wanna do, but girl, how can I tell her about you? Whenever I'm away, how can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh, girl. Help me tell her about you.